สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าวันนี้จะพูดถึงสามเรื่องด้วยกันนะครับพูดถึงเรื่องหินที่ปิดปากอุโมงค์พูดถึงเรื่องตราประทับนะครับที่อยู่ที่หน้าอุโมงค์และพูดถึงเรื่องยามที่เฝ้าอยู่หน้าอุโมงค์พี่น้องครับทั้งสามอย่างนี้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพระเยซูชิ่นพระชนจ ร, จริงพระเยซูถูกฝังไว้จริงและ ในที่สุดพระเยซูเป็นขึ้นเหนความตายจริงนะครับหินนะครับที่ปิดปากอุโมงคนยิวเขาเรียกว่าโกเลลโกเลล G-O-L-E-L ครับ G-O-L-E-L โกเรลนะครับมีคนที่เป็นพวกนักโบราณคดีเขาได้สืบค้นมาอย่างนี้ครับและเขียนไว้ว่าตรงบริเวณปากอุโมงนั้นมีแผ่นหินวงกลมขนาดใหญ่หนักมากนะครับแลวก็ วางอยู่เป็นร่องซึ่งสามารถกลิ้งหินแต่ตามร่องเพื่อที่จะเปิดและปิดปากอุโมงค์นะครับหินเนี่ยครับใช้กันคนครับกันคนมาขโมยศพหรือกันสัตว์้ายมาถึง้งศพนะครับพระกัมพีชาวมุสลของคนยิวก็จะเอ่ยถึงหินบ่อยๆปกติแล้วนะครับต้องใช้คนหลายๆคนจึงจะกลิ้งหินออกมาได้และหินนั้นเป็นหินวงกลมครับก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์พระศพพระเยซูก็ตั้งใจจะป้องกันการขโมยศพ ดังฉะนั้นจึงอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่าก้อนหินธรรมดาทั่วไปได้นะครับในมรารโกบทที่16ข้อ4มีข้อความเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อเขาวางพระศพไว้แล้วโยเซฟก็ปิดอุโมงค์ด้วยหินขนาดที่คน20คนยังไม่อาจจะเคลื่อนได้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าในต้นฉบับพระคัมภีร์ที่เก่าแก่นะครับในศตวรรษที่4 ได้บันทึกอย่างนี้และอาจจะเป็นไปได้ที่ต้นฉนบับที่เก่าแกเก่าแก่กว่านั้นก็คือต้นฉนบับในศตวรรษที่หนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับสมัยพระเยซูนะครับข้อความตอนนี้อาจจะบันทึกโดยพยานที่เห็นมารดต า, ตาซึ่งรู้สึกประทับใจและเห็นถึงความมห่มาก้อนหินขนาดใหญ่โตที่ใช้ปิดปากอุโมงค์พระศพพระเยซูที่รองครับก้อนหินเหล่านี้นครับเป็นก้อนหินที่บังนะครับกั้นไม่ให้คน เข้าไปหาพระเยซูได้นะครับเรามาดูต่อไปครับว่าพวกผู้หญิงนั้นคงจะยุ่งยากใจนะครับในข้อที่ว่าใครจะช่วยเธอกร้องกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ครับพี่น้องนะอย่างน้อยสองคนในพวกเธอก็ได้เห็นการฝังศพและคงจะรู้สภาพครับว่าปัญหาใหญ่ของพวกเธอก็คือก้อนหินปิดปากอุโมงค์ในเช้าวันอาทิตย์ขณะที่พวกเขาจะนำน้ํามันมาฉลมงพระศพพระเยซูนั้น เขารู้ครับว่าเขาจะต้องเอาชนะก้อนหินนี้ให้ได้เพราะว่าเราพบในข้อความพระกัมพีมารโกเขียนว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์นี่คือความกังวลใจของผู้ผู้หญิงในเรื่องก้อนหินครับไม่ใช่เพียงเรื่องจิตใจที่โศกเศร้าอยู่เท่านั้นเองพี่น้องครับก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้นถูกเรียกว่าเป็นพยานเงียบนะครับพยานเงียบ ที่ไม่ผิดพลาดของเหตุการณ์ทั้งหมดและข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวก้อนหินนี้เรียกร้องให้เราศึกษาค้นค้าค้นคว้าหาความจริงครับลักษณะของก้อนหินมีขนาดใหญ่น้ําหนักมากนะครับเป็นก้อนหินที่โตมากมัตทีเรียกว่าเป็นหินใหญ่นะครับหินใหญ่นี่นะครับเป็นความวิตกกังวลของผู้หญิงนะครับแต่พี่น้องครับเราได้บทเรียนฝ่ายวิญญาณครับว่าไม่ว่าก้อนหินจะใหญ่หญขนาดไหน มันไม่สามารถปิดกั้นพระเยซูได้ครับมันไม่สามารถที่จะปิดกั้นการเป็นขึ้นในความตายของพระเยซูได้ไม่ว่าโอปสสักจะเยอะขนาดไหนนะครับพระเยซูมีวิธีที่จะมาหาเรานะครัเดียวกันครับหากว่าเราไม่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเราก็จะไม่ได้ลิ้มรสและไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และลิบเดชของการเป็นขึ้นในความตายของพระเยซูพี่น้องครับถ้าหินก้อนนี้ไม่มีน้ำหนักมากนะครับผู้หญิงสามคนน่าจะ เคลื่อนได้แต่จากบันทึกของมัทธิวทําให้เรารู้ว่าก้อนหินนี้จะต้องหนักมากครับจนพวกเขาไม่สามารถกลิ้งได้ถ้าไม่มีคนช่วยพี่น้องครับนี่คือสภาพของก้อนหินพยานเงียบนะครับต่อไปครับจะพูดถึงตราประทับครับตราประทับนี้มีจุดประสงค์ก็คือว่าเข้าไปทําอุโ ม, มงค์ให้มั่นคงประทับตราไว้ที่หินและวางยามประจําอยู่เพราะเนื่องจากว่า เกรงว่านะครับเกรงว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นจักความตายหรือถูกขโมยนะครับขโมยพระศพการตรีตาอุโมงค์ฝังศพนะครับเขาใช้เชือกขับขึงครับพาดกลางก้อนหินแล้วตรีตราประทับปลายเชือกทั้งสองนะครับเหมือนกับในดานียลบทที่หกข้อสิบเจ็ดครับเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้พระเยซูก็ได้ส่งประทับตาของพระองค์และตาของเจ้านาย พระราชาก็ได้ส่งประทับตาของพระองค์และตลาของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งอันใดเกี่ยวกับดานเนียลเปลี่ยนแปลงไปอันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมดานเนียลบทที่หกข้อสิบเจ็ดครับพี่น้องครับการตรีตานี้การตรีตานี้ทำต่อหน้าฐานโรมันนะครับที่มาทำหน้าที่เฝ้ายามทนะฐานโรมันมาเพื่อทำหน้าที่เฝ้ายามไม่ให้ใครละเมิดตราแห่งอำนาจราชสิทธิแห่งโรมและเขาป้องกันการขโมย และการเป็นที่มีความตายไว้อย่างดีครับพี่น้องนะครับตราที่บัะทับนั้นมีความหมายเป็นสิทธิอำนาจพี่น้องครับบทเรียนฝ่ายวิญญาณในที่นี้ก็คือว่าสิทธิอำนาจแม้กระทั่งของราชชาณาจักรทั้งหลายที่เป็นมหาอำนาจไม่สามารถที่จะปิดกั้นการทำการอัศจรรย์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ไม่ว่าใครจะมีอํานาจมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะปิดกัน้นนะครับสิ่งที่พระเยซูกําลังจะเป็นจะทําก็คือการเป็นขึ้นจากความตายพี่น้องครับในแง่ของการประทับตาฝังพระศพพระเยซูตรานเป็นเครื่องป้องกันความพยายามที่จะทําความเสียหายแก่โอุโมงค์ใครก็ตามที่พยายามจะกลิ้งก้อนหินออกจากฝากโอุโมงค์ จะต้องทำลายตราที่ประทับไว้และต้องได้รับโทษแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับคนที่รับโทษคือใครครับเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูได้เป็นขึ้นเหนือความตายเกิดขึ้นคนที่รับโทษคือใครครับเขาวางทหารยามไว้เพื่อป้องกันนะครับใครที่ทำลายตราก็เท่ากับละเมิด อ, อำนาจของเจ้าของตราดังนั้นครับคำตอบก็คือว่าเมื่อเวลาที่พระเยซูเป็นขึ้นเหนือความตายแล้วนะครับ ไม่มีใครได้รับโทษครับเพราะว่าไม่มีใครทำผิดทหารเองก็ไม่ได้ผิดนะครับสาวกของพระองค์ก็ไม่ได้ผิดเพราะเนื่องจากพระองค์พวกเขาไม่ได้มาขมวดพระสพระเยซูความจริงก็คือว่าล่วงไปสามวันพระเยซูเป็นขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องครับตราต่างๆเหล่านี้ เป็นตราที่บอกกับเรานะครับว่าไม่มีอะไรที่สามารถปิดกัน้นพระเยซูได้อีกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นอำนาจเป็นมหาอาณาจักรทั้งหลายนะครับสุดท้ายครับวันนี้ก็คือยามครับบันทึกในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบเจ็ดนะครับข้อยี่ข้อข้อหกสิบสองนะครับบันทึกบอกว่าในวันรุ่งขึ้นนะครับพวกมหาโปรหิตและพวกฟรอยสีพากันไปเรียนปีลาศว่า เจ้าคุณขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายจําได้ว่าคนล่อลวงผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ได้พูดว่าล่วงไปสามวันแล้วจะจะเป็นขึ้นมาใหม่เหตุฉะนั้นขอให้เจ้าคุณปีลาศได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่สามเกองว่าสาวกของเขาจะมาลักเอาศพไปแล้วจะไปประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วการล่อลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปีลาศจึงบอกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้พี่น้องครับยามเฝ้าอุโมงนั้นเป็นตัวแทนของอำนาจที่ไม่เชื่อพระเจ้าอานาจที่ป้องกันนะครับไม่ให้คนเชื่อพระเจ้าโดยเหตุนี้เองยามนะครับเฝ้าอุโมงบีราดเป็นคนเลือกครับกองทหารนะครับที่ไปเฝ้าอยู่ก็มาจากโรมทั้งสิน้นพี่น้องเราจะเห็นเหมือนกันครับก็คือว่าไม่ว่าแผนการใดๆก็ตาม วิธีการใดๆก็ตามที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อที่จะปิดปากหรือไม่ให้ภัตติธิคุณแห่งความรักความรอดนะครับแพร่หลายออกไปพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไม่ได้ครับนะครับเราจะเห็นถึงระเบียบอันเข้มงวดของทหารนะครับที่เฝ้าอุโมงนะฮะทหารโรมนั้นถ้าใครหลับยามตายอย่างเดียวครับนะฮะเพราะฉะนั้นทหารนั้นคงจะไม่หลับยาม นะครับหรือถ้าจะหลับยามก็จะต้องผลัดกันหลับนะครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เรามั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ที่ซาววจะมาลักเอาผระศพหรือใครจะมาลักเอาผศพไปเป็นไปไม่ได้นะครับวินัยของทหารโรมันนะครับก็คือละทิ้งหน้าที่มีโทษสถานเดียวคือตายครับนะครับเพราะฉะนั้นกองทหารยามโรมันนะครับ จึงเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพสูงนี่คือข้อพิสูจน์นะครับว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายอย่างแท้จริงด้วยนะครับฤทธิเดชอํานาจของการชุบให้เป็นขึ้นจากความตายที่เกิดขึ้นจากพระบิดานะครับพระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูได้เป็นขึ้นจากความตายเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพื่อเป็นพยานที่บอกกับเราให้เรามั่นใจและแน่ใจว่าอีกหน่อย การเป็นที่มีความตายของพวกเราทั้งหลายนั้นจะมีจริงครับพวกเราจะต้องเป็นที่มีความตายนะครับจะรับบำเหน็จและรับการชมเชยจากพระเจ้าว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่อก็วันนั้นแหละครับที่เรารอคอยและเป็นความหวังของพวกเราทั้งหลายทุกทุกคนอาเมน